กระแสแห่งธรรมที่ตัานแสดงไปไม่ขัดว่าขาัดตอนนั้นย่อมทำให้จิตลืมความคิดต่างๆซึ่งเคยคิดโดยปกติของจิตแล้วก็เป็นกลายเป็นความเพลินต่อธรรมมันกลายเป็นความสงบลงไปได้หมายั้งผู้ที่ยังไม่เคยอบรมเลยนั่ง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 ท่านตุงท่านแต่งให้เสร็จเนื้อัเนือเนอเน้อทำท่านแสดงเข้าไปสัมผัสซึมราบทั้งจิตใจให้เกิดความราบซึ่งให้เกิดความสงบเย็นใจลงโดยลาดับถ้าจิดเกี่ยวกับทางสมาธิก็สงบได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าที่เราบังคับบัญชาให้สงบโดยลำพังที่เราภาวนาเพียงคนเดียวถ้าเป็นด้านปัญญา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 แล้วที่พระที่มีจํานวนเท่าไร่ที่ฟังเทศนั้นย้อนแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติผู้มุ่งต่ออัตตธรรมอย่างยิ่งไม่เหมือนกับสมัยปัจจุบันของเราเนี้ยซึ่งเทศผู้เทศก็รู้สึกจะเทศเพรเป็นพิธีผู้ฟังก็ฟังเป็นพิธีไปเสียก็เลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังมณีศีลศาสนาเป็นพิธีมันก็เลยกลายเป็นโลกไปเสียจากศาสนานั่นแหละ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 พรอจวนจะถึงจุดนั้นจิตจะจาะทันทีเพราะนั่นเป็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถจะแก้ได้ทะลุกุพองไปขณะที่ฟังก็รอท่านไปถึงที่นั่นท่านจะว่ายอย่างไรอุบายท่านจะแก้ในจุดนี้ท่านจะแก้อย่างไรผิดจอกคุณนั้นพอท่อานอธิบายไปถึงจุดนั้นท่านผ่านไปเลยด้วยอุบายที่ท่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเราก็ได้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 ในครั้งคนตาการท่านมุ่งต่อการถอดถอนกิเลสตัถ่ายเดียวหรือจะแยกเป็นเปอร์เซ็นก็เรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีบวชพะเป็นพิธีหรืออะไรอะไรอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีนในครั้งนั้นต่อมาก็ค่อยเลือนลางค่อยจางไปเป็นธรรมดาการฟังเทศใน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 ความเพลิน ท, นทำในธรรมมเป็นความเพลินที่แปลกประหลาดเพลินไม่อิม่มไม่พอแล้วเพิเน้วไม่มีความเศร้าโศกเครือบแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลินในสิ่งทั้งหลายจิตใจถ้าฟังทางด้านปฏิบัติเข้าใจก็แสดงว่า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 เทศละเอียดรอเทศทําสุ ข, ขั้นสูงเท่าไรแม้ตนจะยังไม่เข้าใจในทำคันนั้นแต่จิตก็เพื่อเพลินไปตามประหนึ่งมือจะเอื้อมถึงพระนิพพานอยู่แล้วในขณะที่ท่านเทศเป็นความเพื่อเพลินว่าถ้าพจน์ไปตามรู้สึกว่ามันรื่นเริงภายในจิตใจเพลินไปตามเหมือนพอท่านเทศจบลงแล้วก็เหมือนกับเอกระทะมาครอบหัวเนี่ย มองไม่เห็นเลยพยายามบึกบืนตะเกียบตะกายไปตามกำลังความสมารถของตนเวลามันไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นจิตใจดังที่เทศมื้อคืนนี้เวลามันโง่มันก็เหมือนจะไม่ฉลาดเลยเวลาหลงก็เหมือนจะไม่รู้เลยเวลาทุกข์ก็เหมือนจะไม่มีสุขอยู่ภายในตัวเลยคนทั้งคนจิตทั้งดวงไม่มีสาระอะไรเลยเหมือนกับฐานเถิง ถ้าพูดถึงร้อนมันก็ร้อนเหมือนฐานเพิงพูดถึงดำมันก็ดำเหมือนฐานเพิงที่ไม่มีไฟแต่เพราะการชำระการบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอก็ค่อยชำระขัดเกาไปเรื่อยๆค่อยปองใสขึ้นมาผองใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นม า, นม า, นมาความรู้ก็เกิดขึ้นความฉลาดมันก็มาพร้อมกันความสุขก็มาพร้อมกันกันกบความป่องใสใจเราเบิกบานยิ้แย้มแจ่มใส มองเห็นเรารู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นโดยลําดับจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายกนจิตใจของตนก็มีเมื่อปฏิบัติเข้ามังมากก็อะไรอะไรก็พิจารณาไปหมดถึงโลกธกาตุจะมากน้อยเพียงไรก็พิจารณาไปหมดปลอยวางไปโดยลํำดับลํำดับด้วยการเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผลสุดท้ายแม้แต่เรื่องธาตุเรื่องขันก็สับแต่ว่าธาตุมาขันพิจารณาลงไปอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายนอก กายของเราก็จะในกดแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันจนเข้าใจเรื่องภายในส่สวนร่างกายได้อย่างชัดเจนกับสิ่งภายนอกกายก็ยิ่งมีความสว่างสวัยเลยจากผ่องใสกเรียกลายเป็นความสว่างสวัยร่างกายของเราที่แต่ก่อนก็เหมือนภูเขาทึบทั้งลูกนั่นแหละแต่เวลาจิตใจมีความ ทองสายมีความสว่างไสวแล้วมันแทงทะลุปไปได้หมดร่างกายเหมือนไม่ไหมนีก็เป็นเงาเง า, เ, งาเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งความรู้อำนาจแห่งความสว่างที่มันปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดพาราจิตใจเป็นประจำอยู่ภายในร่างอันนี้มองอะไรก็สว่างไปหมดเพราะจิตสว่างนั่นนหละตอนมีความอัศจรรย์นั่งอยู่ที่ไหนก็ภูมิใจตัวเอง อัศจรรย์ตัวเองคืออัศจรรย์จิตดวงนั้นนี่จิตดวงเดียวนี่แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างหนึ่งและต่อมาต่อมาเป็นอย่างหนึ่งค่อยเปลี่ยนสภาพมาเรื่อยๆด้วยการซากการพฟอการปฏิบัติการบำรุงรักษาของเราจนกระทั่งถึงขั้นมีความสว่างส ว, า, งสวายเกิดความอั ศ, อศจรรย์ภายในตัวเองงานที่จิตขั้นนี้พิจารณาก็มีแต่เรื่องขันเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นใด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 วิสัยของสติปัญญาที่จะสามารถอาจรู้ได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่เสมอหรือด้วยการอบรมสติปัญญาให้มีความแก่กล้าขึ้นโดยลาดับาสามารถรู้ได้เช่นเดียวกับขันอื่นเคือรูปประขันรู้ได้ปล่อยได้เวทนาขันรู้ได้เวทนาขันนี่หมายถึงเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตโอกเปิดขึ้นภายในขันก็ขเข้าใจ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 ทำไมจะไม่รักไม่สงวนความไม่เคยเห็นยไม่เคยรู้ทําไมจะไม่เข้าทําไมจะไม่ว่าเป็นของมีค่ามีราคาทาไมจะไม่ว่าเป็นของอัศจรรย์ต้องว่าด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่เคยเห็นอันใดที่จะอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมชาติอันนี้บรรดาที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตจิงติดได้แต่เมื่อติดไปนานๆนนเรื่องของโลกมันเป็นอนิจจงเพราะอันนี้มันเป็นสมมุติ สมมติมันก็ต้องอยู่ในกฎอนิจจังเมื่ออยู่ไปนานๆคลองกันไปนานๆชมกันไปนานๆรักสงวนกันไปนานๆชอบใจกันไปนานๆมันก็ทําให้มีแง่คิดได้สิ่งที่จะให้มีแง่คิดก็คือความสงวนไม่ให้อะไรมาแตะต้องอีกดวงนี้เลยบางทียังมีปรากฏเป็นความ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 เรื่นเริงภายในจิตดวงนี้ก็เป็นสุขเวทนาเวลาจิตมีความเช่าหมองบ้างเล็กๆน้อยๆตามขั้นอันละเอียดของจิตก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาความไม่สบายก็ไม่มากไม่มากก็ตามก็เป็นเวทนาอันหนึ่งถ้าเราสังเกตด้วยปัญญาก็ทราบนี่เป็นสาเหตุที่จะต้องพิจารณาถึงจุดอันนี้ทําไมแล้วมันทํามาถึงเฉาทั้ทงๆที่พยายามรักษาให้งไว้ถึงเฉา เป็นพให้ลายทึงเฉาธรามธรรมชาติอันนี้เป็นที่แน่ใจได้หรือว่าใสาและททำไมเฉาทำไมเศร้าหมองอยู่ได้เพียงตากดนิดนึงก็ตามก็ให้เห็นประจักษ์พรพยานว่าอันนี้ไม่เป็นของเทียงไม่เป็นของแน่ใจพอที่จะนอนใจตายใจได้นั่นเนี่ยปิญญาเราเพงจะปักเข้าไปองค์นั้นนี่มันเป็นอะไรแน่เนี่ยมันตึงเป็นอย่างนี้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 ไอ้เรื่องที่ว่าตาจันก็สลายลงไปทันทีไงธรรมะตาจันนนั้นก็หมดไปความที่ว่าเศร้าหมองผ่องใสก็หมดไปพร้อมๆกันกับจุดอันนั้นที่สลายตัวลงไปนั่นสมมตุติขั้นสุดยอดแห่งสมมติขั้นสุดยอดแห่งกิเลหแห่งอาสวะท่านเรียกว่าอาวิชชานี่แหละคืออวิชชาตรงนี้เอง ไม่มีอันใดเป็นอภิชายิ่งกว่า น, นี้ละเอียดและออมมากที่สุดจนถึงขนาดม่าต้องหลงไปได้ลืมตัวไปได้เถอะไปนะทนี้เมื่อความมหัศจรร์ของสมมติอันนี้สลายลงไปแล้วสิ่งที่เป็นนิมุตไม่ต้องถามจ่าสจัชเหนืออันนี้ชักเท่าไหร่ขาสนาของโลกเป็นผู้เหนือโลกเป็นผู้ประเสริฐสุดถ้าสาวกอราหารันอรหันท่านประเสริฐสุดท่านประเสริฐสุดเพราะจิตดวงที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากเครื่องหุ้มหอ่อ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 ได้ระมระวังรักษาเป็นความกังวลอยู่ตลอดเวลากังวลตามขั้นของกิตแม้จะไม่มากก็มีอยู่นั่นสุขเวทนาก็มีอยู่ที่นั่นทุกขเวทนาก็มีอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นขั้นของสมมุติสมมุติต่อสมมุติก็ตามกันมาถึงกันได้พอสมมุติอันละเอียดนี้สลายลงไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏและพระอรหนต์ท่านจะเสวยสุขเวทนาภายในจิตทั้งท่านเหมือนอย่างที่เคยเ ส, สวยสุขเวทนา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 มีอยู่ดั้งเดิมกับธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเท่านั้นจึงไม่จัดว่าเป็นเวทนาถ้าเป็นเวทนาก็าต้องอนิจจังทุกขังาตาไปด้วยกันหมดอันนั้นไม่เป็นเวทนาจึงไม่มีอนิจจังทุกขังาตาใดใดทั้งหมดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำลายได้เลยขั้นพ้นจากขั้นที่พ้นจากสมมุติเป็นอย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐในจุดนี้เองแล้วนํำทำออกจากธรรมชาติอันเงียบส่องสอนโลกไม่ออกจากจุดใดหรือไม่ออกจาก อันใดหมาออกจากความบริสุทธิ์นี้เท่านั้นสแสดงทำออกมาอันนี้เป็นของจริงเต็มส่วนถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นก็ร้อยเปอร์เซนแสดงทำออกสั่งสอนโลกก็ต้องเป็นความจริงร้อยเปอร์นร้อยเปเนไดนี่ผู้รู้จริงเห็นจริงนำออกสแสดงจะผิดไปที่ตรงไหนตนเป็นผู้ปฏิบัติมาเองทั้งวิธีปฏิบัติก็รู้แล้วผลก็ได้รับอย่างพระจักใจเมื่อนำออกทั้งเหตุทั้งผลจะแสดงแก่โลกจากความจริงอันนี้จะผิดไปไหน นี่และที่พี่ยาสั่งสอนโลกได้ผลเป็นที่พึงพอใจได้มากมายยิ่งกว่าบรรดาสาวกหลายเป็นเพราะเหตุ น, นี้เพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธวิสัยมีอุบายวิธีต่างๆที่สั่งสอนโลกได้กว้างขวางมากมายแล้วสาวกท่านก็สามารถลองจากพระพุทธเจ้าลงไปอีกเพราะรู้ความจริงเห็นจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่กว้างขวางเพราะเป็นสาวากนิสัยเป็นนิสัยของสาวกอ น, นูมิสัยพระเจ้าต้องผิดกันเป็นธรรมดาแม้จะถึงความเป็นสุดด้วยกันก็ตามความสามารถที่จะนํำทํำ ในแง่ต่างๆออกมาสอนโลกนี้ต้องเป็นไปด้วยสติปัญญาความสามารถฉลาดรู้ของอาตามวิสัยของผู้นั้นๆตลอดถึงครูบาอาจารย์ของเรายกตัอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นการแสดงธรรมนี้ไม่มีใครเท่าที่ผ่านมานี้จะเหมือนท่านอาจารย์มั่นบ้างนี้ความฉลาดแหลมคมการแสดงออกในแง่ต่างๆของธรรมทันกับผู้ฟังคือทันกับกิเลสของผู้มาศึกษาอุรมเพราะฉะนั้นกิเลสจึงต้องหลุดลอยไปเรื่อยๆ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 ถ้าต้อ ง, องูปลาออกไปผู้ฟังกฟังงูปลารู้ ร, รูงูปลาแล้วมีทั้งงูปลาเต็มศาสนาเต็มคนผู้ปฏิบัติศาสนาแ mm hmm. ง่เพราะนั้นเอาให้งูก็งูจริงที่เห็นชัดปลาก็ปลาจริงประจักษ์กับใจของเรานี่จะเป็นทำขั้นใดก็าตามให้รู้ประจักษ์กับเราทำเป็นสัาธิติโกผู้ที่เจ้าไม่ทรงผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเองด้วยกันทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเพศใดก็าตามพราะจะจะทํามีเหมือนกันหมดไม่ยอมว่านักป่วยแล้วคราวว่าว่าหญิงว่าชาย ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทำเป็นของกลางส่วนเพศนั้นท่านพูดทําว่าตามขั้นตามภูมิประกาศว่าผู้นี้เป็นเพศนักรบผู้ง่ายๆเพศนักบวชเว้นจากกิจบ้านการเดือนทั้งหมดแล้วไม่ไปเกี่ยวข้องมีหน้าที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจง้งจริงโดยถ่ายดียวแต่เมื่อเข้าสงครามแล้วเป็นน้อยเสียๆเขาปืนแหวี่ยงตายเฉยๆเนี่ยนี่บวชมาแล้วตั้งไม่ตั้งใจจะปฏิบั ต, บติแต่ว่าเข้าสงครามแล้วสจ้าสงครามทีเฉลี่ยมันแทงเอาแท ง, เ อ, แทงเอาตายพิฆาตพิษหาย ย <N> มันก็ผิดแปลกอะไรกับฆราวาสเขาดีไม่ดีสู้เขาไม่ได้เี่ยการปฏิบัติธรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งการรักษาเพศทั้งตนนี่เป็นอีกอย่างมันคนละอย่างเรื่องที่เลีนแล้วไม่ว่าหญิงว่าชาย ว, ว่านักบวชฆราวาสแก้กันได้ทางนั้นถ้าจะแก้อื่การสแสดงธรรมข อ, ของครั้งปุตตการจึงผิดกันมากมายกับกองแล้วกับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงจริงจดังที่อธิบายมานี้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 สมัยน้นรู้สมัยนี้ไม่รู้สมัยน้นคนปฏิบัติ บ, บรรลุมรรคผลนิพพานสมัยนี้คนให้ บ, บรบรลุเราอยาไปคิดอย่างนั้น era. เป็นความเข้าใจผิดจะเป็นกา ร, ส, รส่งเสริมกิเลสมสมัยสมัยน้นท่านก็สอนคนมีกิเลสกิเลสมีประเภทเดียวกันกับพวกเราและสมัยนู้นถ้าก็สอนคนให้แก้กิเลสอันเราก็แก้เหมือนสมัยน้นแก้กิเลสตัวไหนตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับกิเลสสมัยน้นแก้ด้วยข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อปฏิบัติในครั้งนู้นผิดกันที่ตรงไหน แล้วจะมีการมีเวลามีสถานที่ที่ตรงไหนไม่มีอยู่ที่ใจของเราชาติธรรมไมมีการสถานที่อยู่ที่เราโดยกันถ้าจะทําคืออะไรทุกสมูทัยนี่เป็นฝ่ายจีกัก้นมรรคคือข้อปฏิบตัตินี่เป็นฝ่ายบุกเบิร์กนิโรธเป็นเครื่องดับทุกเมื่อบุเบิกได้เท่าไห ร, รด้วยมรรคินิโรธก็ดับทุกประเดิมดับไม่มีเหลือภายใน จ, ใจิตใจเช่นเดียวกับข้ามพุทธกากนี่หายุ่นเข้ามาตรงนี้ เราจะไปคิดแบบ ก, การนั่นการนี้เป็นการให้ทําให้เราท้อถ อ, อยใจนี่เป็นอุบายกิเลสสอนเราอีกเราจะรู้เราจะไม่รู้เท่า ท, าทันกิเลสเนีเดี๋ยวจะคลานไปตามมันโดยไม่รู้สิดตัวให้เอาทำมาเป็นเครื่องมือดังที่สอนเรื่องนี้แล้วจะวเราจะมีปัญหาในครั้นบูตการกับขั้งนี้เหมือนกันสําคัญอยู่ผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นอันนี้เป็นที่แบบเป็นที่แน่ใจขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้